ต้องทะลุมาแรก มันตอกในหลุมนี้ก็ตามพรกสองด้วยนะตามพรในสองนี้เขาฝนเราคือเป็นบารานซถ้าไม่ได้กาหนดเลยอันนี้จะโดนเยถ้าใครมรรคกายคนไหนก็ล่าแต่นะก็จะโดนนั่นน้ำได้สมบูรแล้วก็ติดอาวุที่พระนัินก็เหมือนกันนะอนี้ถ้าเรจะพูดถึงถ้ามีคนวิสาเข้ามาเกี่ยวด้วยเรคือคนแรกคนท่ห้าคนที่สองคนทีก้า คนที่สามวคนที่ไม่ชอบใจคนที่ถูกข่าเหมืนกับนะถ้ามามาทำอะไรนะมาฆ่าในงานวันนี้พิเศษขึ้นเพื่อเพื่อให้คนที่ถูกฆ่าได้ตายถึงนี้นะคนที่มาเท้าันีพิเศษขึ้นอ่ะก็อย่าโานตาทิ้งแต่คนต้นเร็วก็ไปอยู่แล้วไปอยู่แลนี้นะแล้วก็รอบทางหนักเป็นก้อนไว้ตรง การรออวางหนางเป็นต้นเนี่ยให้พูดไว้สองที่นะอันแรกเป็นการร่อวางรูปไว้ใต้เตียงหรือตาซึ่งเนระื่อง น, นี้ก็ได้พู้ไว้ฟังแล้วนะก็คือว่าทำเตียงหรือตาให้มันสมรู้ร่วมรักแล้ ว, ลวเอาด า, เอ า, อ เ, อาอเอา ห, หขอเอามีดแล้วไม่ใช่ใต้พอเขานล่นมาแล้วเตียงหนังนะทำแล้วทำนั้นกรร็โดนมีเสียบเนี่ล้นกรณีล่อวางหนางนะ ท่านบอกว่ากานาขุดความตายการต่างๆนะราะว่าไปว่าใครที่ตาดหนาได้นื้จะได้ซับได้ยดหน้ไวได้พบนานไปครับหรือว่าได้หนาหนานใครต้องการตายไม่ต้องใช้หนาได้นี้นะัหรือว่าต้องการขุดข้าวอะไรต้อใช้หนาได้นี้นะครันานๆไปแต่ว่าถ้ามีใครรู้หาว้ามาว่าข้าวผุนยื่นเนาก็เห็นเห็นนา เอายาอี่มาฆเป็นต่างนะบฆ่าดูดบาชและเกี่ยวกับการวางยาพิษนะครับถ้าเราไปอย่างนี้นการโวยยาพิษลงในนู่นเป็นต้องในเมื่อวันก็บอกว่าไมพู่แล้วนะครับหรือว่าการวางยาพิษในร่างแสสนะลงในอาหารนะครัลงในอาหารในยากินนะถ้าเราพูดถึงว่า คิดสุใดนะเมื่อคิดสุผู้มีเวงในการเกิดขึ็นไข่เชื่องแคลยาดที่นครัถ้าเป็นยาที่มงตรงเนี่ยเราไม่สงสัยกช่แต่แม้แต่ของแสดงก็างองนะครับก็ถือว่าเป็น่สมานะเป็นกรณีที่คนแร้เขาปวดคนแรกเขาสบายนะครับแล้วเราก็อยากให้กระจายไรแคลของแสดงเนพอให้แกกินเราช่วยให้แกหายไวนะถ้าแกกินของแสดงที่เราไม่ใช่แล้วเราจำเริมแล้วก็ตายไปเะครับเด็กคนเดียว่มาชิ้ ก็องฆ์ในการเอายาพิษให้นะการเล่าเรู้่องผีเป็นต้นเพ่เขาพูดไลนะครับก็บอกว่าจะพูดเรื่องอะไรไม่ร้เหมือนเ่อเีตาครับยน็หมาเขียนหมายนาะคุความตายนะเขียนไเขีนมาคนถือว่าคคนที่จิตไม่ค่อดีใช่ครับปหาแล้วก็เียด ว่าเขียนได้เหรเนี่ยคนนี้ชีวิลลางอะรนี่ีนะครับเห็นคอยคาฆ่าวาาน้ที่ก็โขโนะท่านบอกว่านะครับอธิมายการนาความตายด้วยพู่และหนังสือด้วยพูดก็ได้แต่เาสองพู่ไปนะาจะบอกเพื่นคนนี้นะครับท่านบอกว่าในการนาด้วยพูดนี้ใชอย่างนี้แต่ทุกโนะครับเมื่อิสูจ์เพียงแต่บอกข่าว่า ท่านตรงไปสู่เรือนหรือมากที่น้งและชนะนาป็นความตาแก่คนรมีชื่อย่างนี้นั่นแหละตอนที่สั่ไปก็เป็นทุกข์ก็เลยทีนี้พอทู่รับคำนั้ก็ไปบอกคนนั้นเพราะนั้นเชื่อแล้วก็ถอนตารับเราเชือกไส้คอที่มีต้นตาคล้องผ้าก็แล้วก็ทุกข์เาชนะอันนี้จะถือว่าใจอย่างที่สู่ผู้สันะคราพอเขากายก็เป็นปาชิแต่ว่าให้คู่นั้นครบ เราบอกให้ไปบ้านนู้นเ well so, ินนู้นนไปก่อนคนนู้นนะครับแกชื่อว่าโอ้เราลุกขังสมาน้น่นอนอย่าไปบอกให้อื่นเลยไปบอกญาตเราแหละนครับแล้วแกก็ไปบอกยาติแกแทนนะญาติแกเชื่อแล้วก็ข้ามตื่นตายตาคำของ้าครับอันนี้ข้าก็เดี๋พอจะพ้นนะพอถึงวันเด็กนะหรือแม้ตัวพูดเองถ้าไม่บอกให้เราข่าเป็นตาแหลงเราก่อนู้ตายแล้วไปสวนนแล้ว แกก็เลยฆ่าตเอายตามิธที่ข้าบอกนะตอนนี้ที่ถูกพุทธศาสต้องโคนเราคนนแต่ถ้าเป็นการบอกแบบแตไม่จริงจงนะครับก็จะเป็นปณิธานประมาณเท่าจานวนรมที่ตายไปะก็ยิ่พมากครับใครดีจะให้รู้เรื่องฐานนะที่เราสั่งให้อกนะรและ่าตัวเก็จะเป็นปณิานของท่เข้าจานวนรุ่มที่ตายไป ถ้ามังงานสิยาตายไปก็จะเป็นสิญกรรหด้ครับหรือแม้ในการเขียนหนังสือก็เหมือกันท่านบอกว่าพิสูจนกานหนังสือการถกสอนลงที่ใบไม้หรือขึ้นใบนสมัยัก็เขียนลงไปหนังสือแล้วนสมุดเครับในสกาเขียนลงไปแล้วว่าผู้ใดใช้สัตวาค่าตัวตายหรือกระโดดเหวทายหรือทาย้วยาอย่างื มีกระโดดข้าวไฟและกระโดดน้ำเป็นต้ผู้นั้นจะได้สิงนี้ผงนี้เพราะนานาไปนะเสร็จแล้วนู่นแล้วจเกิดสีออกสวัรนะเปรียบพร้อป็นสมาการคระชุมนะถ้าบอกว่าตอนแรกก็เป็นรูปทุกข์กดก่อนแม้ในการเสลิมอที่ไม่จตรงมันก็คิดทรางว่าเป็นทุกกดถูกนใจและประราชิษโดยในอากาศและห้าหก็เหมือนแกได้จอดตงมันจอตรงตอนเขียนไปเปทุกข์ดก็เรอา เราเข้าอ่านแล้วก็เชื่อความตายเรื่องไปพยานาคฆ่าคตายไป็นพฤติกรรขึ้นแทนสุนรัตใจเพราะว่าตายก็เป็นตารหาช่นเนนแต่ว่าด้เขียนต่อตรงคนนันเข้าในคอบคกคนนั้นเท่านั้นถ้าคนตายเขอไม่เกียนนะท่านก็พูดต่อไปว่าคือไอ้ตรงครอบคัวทางตรนี้มันจะหายเมื่อไหรื่องหร่วลาเขียนนัสว่าว่เราจะกลับใจะไม่เอาฮะเอาเขียนเราขียน่านี้เนี่ย ก็มีไม่คือมาจะทำยังไงเขาบอกว่าทิ่จสู่เมื่ อ, อเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเกเกิดมาเกิดปีร้ อ, อ, อนใคงขึ้นมาคนสัตว์เองมากตายจึงเขาใบานันเสียหรือทามอุปการอื่นที่อักษรทงหลายจะไม่ปลางกย่อมค้นได้ต้องทบตบัวดุสีเมนตาต่อเลยไปเขาเลยถ้าใบานั้นเป็นของคนอื่น ที่สูดจิตใจสิ <t itals> ่งเจาะตรงการหรือเขียไม่ไม่จะรงการาหรือนเอวางไว้ที่ตนถขียนออมาโน้น้ท่าใจเหมือสือสมุทรใครมาใช่ไหมแล้วก็ไปคุยเ่องของหรือวางไว้ที่เราไปอ่านเข้ามาเนาะมก็พ้นได้แล้วนะแต่ถ้าทำกันเองนะยุคสมัยก่อนอะถ้าที่สูดหายรูปนะรูปปีต้นตาขึ้นต้นตาอะไปขาดได้ ไว้มานะครับมีรูปก็เอาะไรอาหมึนแท้มีรูปก็เขียนนะครับชื่อธรรมคู่ขั้นตอนเลยนะหนึ่งขั้นไปอย่างนี้าเแล้วเขาเียนไปมนยื่จะไม่หาง่ายนะจกว่าไอ้กระดานที่สุกเขาจะเรื่อตัวสายตาโกนเลยถึงแม้ว่าถ้าสุกเขาเนี่ยขาไม่มีตัวตาตากนคนอ่านรเรื่องนะแล้วก็การข้ามตัายตาโน้นนั้นที่เป็นปะลา ให้เราไปทำลายลการที่ตัวอักษรเพื่อมาขนเลยจึงล่อถูไปได้นี่นะเกี่ยวกับการฆ่าดุการวางคดักของเขาเมื่อผ่านนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องหนาของกาคำว่าพยายามฆ่าดุยการหน้ามนน่าสนหมายถึงการห้ามนเพื่อให้ตายคำว่าฆ่าดุล หมายถึงความพยายามค่าเรือดที่ได้มาด้วงผลเสกต่ี่ก็คำพดบาก็จะยความน่าจะรู้อาจจะสูงน่าจะรู้อาจสู้าถ้าบอกว่าเล่อที่เรได้ตั้งได้ที่สองเลยครับวิชานี้นะห้าตารางที่ข้อหนึ่งได้หนึ่งครับตารางที่ข้อสามสี่สองสามสี่นะวินาทีเกิ่สอง หลัตันนี้เขาเรียกว่าวิชาไม่ยากประโยชน์ข้างเราความพยายานะที่สาเร็จ เ, เรื่องวิชาก็ได้เหมือนันเบอกว่าเราแปลแในร่าหมายถ้าแสดงวิชามยาประโยชน์ไว้ไหนหรือว่าวิชามยประโยชน์เป็นไหนพวกโมออาขันเราหมผีม อ, อาขันะยอ่อประกอบอาขั เมื่อเมื่อถ <photos> ้อหรือเมื no no no no. No ่อสงครามเข้าไปชิดกันย่อมก่อความจังไรความหวานโลคความเจ็บไข้ครับให้เกิดขึ้นในพวกประจผู้เป็นรูย่อมทำให้เกิดโรคผุเสียนะคราบยังหาสุ้ไม่นานนะครับโดนใส่ขอนะครับโรคผุเสียนะคหรือทเสียท้องรวน่นะครับให้เป็นโรคป่วงโรคป่วงในคนเนี้ยเป็นง้เี่ เพื่อป้องกันนะครับพวกห ม, อ, ยย อ, มออาถรรพ์ย่อมประกอบอาถรรพอย่างนี้พวกทรงวิชาคุณนะครับตรงนี้นะได้เวทแล้วเมื่อโดนถูมน้อตหรือนะัดทำอ่ไรกันนะก็ทําพวกดูพวกข้าจืบดูนะครับให้ในล่องหัวดังนี้นะการเรื่อนเปน็นมากของคนหมายที่ถูกพวกหมออาถรรและพวกทรงวิชาคุณฆ่าสืบ่าหน้านะทำให้ถึงตายหน้าหนึงนะใช้วิชาหาปรุงแบบ เนียนะจะมีเยออะไรเรื่องราวนะให้า่อยพูดมากนะครับก็ลักษณะในวิชาแม่ยากประโยชน์นี้มีดังนี้คือการสรางมนเพื่อใช้ควาตายสุกง่อันนี้นะครับเรียวิชาม่ยากประโยนครัต่อไปนะครับอีกที่แม่ย่าประโยชน์ค่ะความพยายามที่สมเร็จลุิการประกอบมิตรการเกิดแบบผลแห่งกรรมที่ว่าอยูที่แม่ยากประโยค่ะ ถ้าว่าจริงอยู่ขึ้นข่้วะฤทิ์อันเกิดจากผลแห่งกรรมนี้มีมากอย่างน้อยอย่างนีครับแต่ก็มากทธิ์หน้าของพวกหน้าเนี่ยที้เขามีวทธิ์ก็เคราะผลแห่งกรรมนะแต่ทำความไว้นะเข้ากรรมดีใช่ไหมหรวอาเกิเป็นหน้ามันเกิดเป็หน้าก็ต้องห็นสมบัตินรัถ้าเกิดเป็นาชนะี๋ยว่าที่มีฤทธเนี่ยฤทธิ์อร่อสินะครับทีฤทธิ์ดนว ฤิ์หน้าของพวกหน้านะครับฤทุบานก็คือคนนะของพวกคนเนือฤทธยักษของพวกยักษ์ตะเคียนทธิ์ของพวกเทพนะครับราชเป็นของพวกพราหมณ์มนาฤาธิดหน้าเป็นท่านั้นฤทธิน้าฤทิ์หน้าของพวกหน้านะครับซึ่งมีที่ในขณะเห็นพ้อหน้าบางอย่างมีที่ในขนะเห็นเลยนะที่ได้ฟังนะครับแค่จ้องอนก็ทำให้คนหน้เป็นตหน้านะครับบาพวกใช้ขบกัเนี่ย มีทิ่หนาเนะี่ยหรือเป็นทิศหนะ้ขหกกะ้าใทั้งคนตาย ห, หรือบางพวกก็แค่ถึงเต้างนะก็ทั้งคนเจ็บตายนไดองเงี้ขนาดทำการเรียนรูนศักด์อยู่กเห็นหกกร ะ, ะ้าถงเต้าเนี่นะคือทีศของพวกหน้าต่อไปลิฟของพวกคุ้นนะครับก็ทิศของพวกพุ่นเป็นยังไงในการฉุดหน้ายาประมาณหนึ่ง้อยสามสสองวาขึ้นจำมาหาชุ มีด้ยอะขนาดนี้นะพระนรพลหาหาคุณเราเห็นเหมือนว่าตัวใหญ่กว่าหน้าใช่ที่เราดในนดลาเนี่ยมงนก็มีตัวใหญ่เหมือนกันนะหรตัวเล็กกว่าหน้าแตัวไม่ไม่รู้ขนาดไหรนะแต่ว่าพระนรพลหน้าของเขาสามารถมีสิลปัพญานาคซึ่งจักเล่ได้ใช่ไหมขินพญานาคขินพนาคของเขาแต่เขาดตีใช่ไหมทำให้น้ำแตกของเขาเหมือนนะทำให้น้ำแตกออก ่พวกเทียน้าจะมาโกรธนะครับแล้วก็จะโถมลงไปแล้วก็ล่าเข้นมาแม่น่าจะเลียงยานั้นเขล่าเข้นมาได้ต่นี้นี่เป็นเรื่องของหกกลุ่มนะรส่วนพวกยักษ์ับถ้าพวกยักษ์นั้เมื่อมาไม่มาโกรจะมามันไม่เห็นตัวนะแล้วก็เมื่อปัญหานะครับเมื่อฆ่าลูกสรนัขคนนะก็ไม่มาโกรธนะครับแต่สัตว์พวกที่พวกยักษ์เหล่านั้นปัญหาแล้ว ย่อกตายจะไดที่นั่นหนึ่งเช่นแบบผลงการปหาใช่ไหยว่าคนนั้นจะตายเพราะฉะนั้นถ้าอยากทำโอ้หนักในนั้นหนึ่งเอาตายเลยนะครับมีคนมาไล่ฟังนั่นหนึ่งที่ไหนนะนิ่ิคอนเขาบอกไล่ฟังข้อมีโยคนึงเดินไปเที่ยวหาอะไรอยู่นานในสวนแทนเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็ู้แไปอะไรขึ้นราก็ตาหาที่ไหน พข้าไปตรวจสอดูนะแล้วก็รู้ว่าพอขักไเข้าไปเล่าเลยก็ว่าเนี่ยตอนแรกนะยูเจ้าที่เรงนะครับแ่ก็เลยถูเขาฆ่าหายไยอถูกกดฆ่าเลยถูกเอามาลุกฆ่าเขาเชื่อว่าอย่างเนี้นะเพราไม่หนีใครไยนะแกทนี้แล้วก็โดนาแกเข้าไปตรวจสอบก็ตางว่าพอขักไนี่นะนั่นแหะเี้ควรจะทำเนี่ย มาทำมม า, าออกดเอ า, า, าความรักาให้เขาเลยมาโผนะแต่สามีุคกทำร้ายก็จะตายที่นั่นนั่นแหละคือชาลิตรยักนของพวกยัาหล่าหรือยักษ์นั้ในครอบของนขะครับต่อไปเชวาลิศคือชาชวลิศในข้อความตายของพวกภูมพันที่ท้งแมงส่วนรณครับท้าแมงสุวรรณเป็นใครเนาะหัวหน่ายักษ์ไหเป็นท้า อาจารจุมหาักช่ครับเามหาลักทั้งสี่เนยอ่ชั้นอาจารย์ุเป็นพระาชาของเทวราชนะครับเป็นหัวหน้าของรเทวราต่างๆใช่มถ้าเขาเว้นสุรเนี่ยก็เป็นหัวหน้าของพวกยักษ์นะครับ้าอป่เป็นหัวหน้าของพวกหน้าใชครับอะไรอย่างั้าหัวข้าเลยถ้าตลอน เป็นหัวนาของพวกไอ้น่ะก็คนทนใช่ไครับแล้วอะไรขาอะไรข้อริักาหกนวสามหกนะเป็นสัวหน้าของพวกเขาก็คือนนะอมครับขอบมากคท่านบอกว่าสี่เนี่ยสี่ามเจอโรเจอโรประมาณนะครับหรือว่าขามหยถึงเ ที่ข si so so really so ้ารัชกุวรรณมองดูด้วยในยุทธพลในชาตก่อนแต่เป็นเจ้าขอามันก็คือพอโกด้วยไหมก็ให้มองพวกคุณทำด้วยความโกรธไม่อเกิ่เป็นนพวกคุมทันก็ตายลิตาลิตาใส่ลตาลิตาครับแล้วก็และในเพราะนิทางข้าของตนของตนแห่งพวกยุราห์ยุราหนั ออกเหมือในาได้หายตัวนะได้เดนมิตอะไรได้ากหลายอย่าราพ้ดดวนะแล้วก็คุณรา น, นะครับเลยั้งความออกไปได้ในอากาศเป็นต้นของพระเจ้าสัพพทั้งขั้งบนสั้นเที่ยวไปด้วยหน้าของสารนะครับพระนนะเจ้ส า, าสัพพะเลยออกไปได้นะครับไปทั้งบนสันะมีจักรแก้วจาหน้านหน้าใชหแล้วสาระทั้งบนสั้ก็ออกไปได้ และก็ในกร่อความแข็าแกร่งอำนาจไปเบื้องต้นในที่ย่อหนึ่งทั้งเบื้องต่ำและเบื้องบนของพระเจ้าโสดนะครับเหมือนกันแข็งแกร่งอำนาจไปนะครับในที่ย่อหนึ่งนะทั้งเบืองต่ำและเบื้องบนของพระเจ้าโสดมีเรื่องถึงว่ากระดิ่งเหือนกันนะอำนาจนาแข้งแก่งอำาจในที่ย่หนึ่งนะทั้งเบื้องต่ำและเบื้องบนแล้วก็ และในข้อการข่าเสียขึ้นอยู่ตรงที่ชื่อว่าสุนัขุมณะน้นด้วยการตอกเขี่ยวแงงงหงตอนหนนั้นตามสีผลพระนามว่าปิตนราอย่างนี้แหละเอาลายฟังนะครับผมไม่ชอบใจตรงนี้อยา่าฆ่ากันใช้ไหก้าวหายตอกเที่ยวนะครับแล้วฆ่าขุนลนั้นนี่เป็นเรื่องของพราไายทนะครับต่อไปนี้ได้นะครับนี่ว่าอันนีย่างนี้ ความพยายามข้าเลือท <R ud> ี like. ่ไ like. ด้มาด้วยผลกรรมท่านก็บอกว่าเราการฆ่าเลือดปัญญาติไมนสามารถทำได้ครบทำไม่ได้อาจารย์บางพวกก็บอกว่าทาได้ครบแต่ว่าทำได้ครั้งเดียวนะแค่นี้ป็นเสงเลยแต่ใครนีไม่้นปฏิเสธนะท่านก็ย้งว่าส่วนพระอาจารย์บางพวกแสดงพระสุตตัมหมายใจต้อนมากดูความพระสุตทังหลายเยื่องเืองนี้อย่ดี จะมาแนะนำาผู้มี น, นิตถึงความเป็นผู้ทำนาแห่งจิตย่อมเป็นผู้แข่งไรงคาร์วที่อยู่ในท้องอย่างือด้วยใจละว่าคำชไนนหนอญิงคนนี้ไม่ถึงข้อทางลบที่อยู่ในท้องนะโดยความสวัสดีดูความรู้สึกผู้มาแม้อย่างนี้ก็เการเยียวยาัตว์ที่อยู่ในคันแล้วแล้วกล่าถึงตามเป็นการเยียวยาสัตว์่นแม้อยู่ท้งนานานัง่นะ้านานมั และความปรารถนาความที่าะไปใช้ริ้เพราะอาการเย็นเย็นตัดเหมือนการแตกของหม้อต้องเ่ิยนไปบนเนินที่ถูกไรไม้ฉนั้นนะคคือถือว่าค่าเนี่ยกินยาที่มีหน้นะแต่ค้าในครั้งนี้เขาได้เสือเลยเมื่อคนเอาหมน้ำนะโยนไปบนเนินนมากที่เนินถูกไปม้หรือเ่าไอ้มอน้ำไม่ตแตกใช่ไหมไฟก็หับแต่ม้อน้ำมันจะแตกเลย นี่มเอการท้าทำได้มพราว่าได้เนาะยัเกี่ยเลยแบบขึ้นไม่ได้แต่คำนั้นคนเราเป็นเพียงความพัฒนาของเจตอาการเหล่านั้นเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่สมด้วยเหตเหล่านี้นะครคือกุศลติการนะเป็นหน้าติการวิตสติการและบริตสติการข้อนี้อะไรข้อชั่วภาวนาไม่ยั่งยเนี่ยเป็นอัตญนะัญเนาะอัญเปน ทาห้า่ไหข้าสมงข้อชาชที่ห้านะครับมำนามไม่ได้แนบข้าสมงข้อคืระกิจการมทาร์คือสนครามีุณสนและคุณสอนพระยะานะอะิญาาเป็นทั้งคุณสอด้วยแล้วก็เป็นข้าวพระยะตานู่นนั่นของความฐานมีด้วยนะครับในคุณสแล้วก็เป็นพระยะตนะแต่ว่าความานศีบาปเป็นคุณสอนเข้านั้นไม่สอนอะไรแล้วเดี่ยวเวพนาเขาจุกุ้งไป ปัญจิมาอภิญญาคก็เป็นอะไรเบนาอุเบกขาเบญนาอทุกขนสตเวกนาอุเบกขาวกนานะแต่ว่าปัญจิมารสำปรายด้วยทุกขเวกนากอบด้วยภมนั้นนะก็เลยไม่เข้ากันแล้วหรือแม้ในวิปัสิกนะครับหมดหายที่บอกไป่บอกไปอุเบกขาอิญญาเ็หาวิปัสสิงิจาร ไม่มีนิตก็ไม่มีนิจนะถ้ามีนิต่็มิจานได้ยังมีนิจที่ห้าแต่ว่าภายอนจิตานีมีทั้งนิตก็มีทั้งนิจนะที่ห้านะข้อนไม่สมเลยและเกียวกับการิสตานะครับตาริสติกาห์นะหูขามือปิฏกนะเป็นต้นอภิญญาเป็นหมาปิตตานะคัญญาเป็นหมาปิตานะปิตตานะปิตติปิตติ คือพ่อชาลนเท่าไหร่ครับอารมณ์สุจริตอสจริตไหมไเาครับอะไพ่อชาลนะุปาประจาชาลีระจานชาครับถ้าเรียกหมาตาจิตพ่อเป็นจินใช่ไหมนี่นะเพราะว่าเป็นจิตนยครับที่คนจะบรรุไดหน่าจะถึงนะพอจะบรรลุได้ด้วยคุณรนยิงหที่าหร จะเรมหมักตาจิตเนะเนี amos, ables, ่ยเป็นหมักตาแต่ว่าภายในจีบานเป็นปริตัาปริตตาทองเนื่ยจะพามาอ่นทั้งหมดลยนะครับเพาะฉะนั้นเนี่ยค่าข้ใเล่นปัญญาได้อือนะต่อไปนะครับในข้อที่ว่าสตตหานกรรมว่าสัเพเยสยะที่แปลว่าคุณถยหาสัตาเอันจะิดชีวมนุษย์นั้นนะครับสัตาชื่อว่าหาราบ มีเพราาสัตว์หายากนะสัตว์ที่มัสัตว์าหายากเนี่ยก็เลยจะเรียกว่าหายากนะชื่อว่าหายากเพราะพาว่ากาจัดนะครับหาบ้ากาจัดอะไรต่อมากาจัดชีวิตนะครับอย่างหนึ่งชื่อว่าหายากเพราเพราะว่าเป็นสิ่งที่ควรรอดวานะครับคือซ่อนไม้สัตว์ตาด้วยสัตว์นั้นเป็นเครื่องกำจัดด้วยท่ยนั้นจึงชื่อว่าสั ก็แปลว่าสัตว์ตาเป็นเครื่องปริชีพแพร้ววารือว่าสัตว์ตาเป็นเครื่องกาจับชีวิตนะครับเครื่องสัดตาหนักศิกดิ์ซึ่งคำนี้เป็นชื่อของอะไรนะการมารอบวานกำหนักะครับพ่อกำหนักนะครับคำว่าอสาหมายถึงกายของรู้คร์ของราคำว่าปฏิยสัใส่งแปลว่ากลุณสมัยหานิ้วถึงรอบวานหมายถึงศักดา์ศักรประเมื่อชิตหมายถึง ไอ้อะไรนะมันเหมือนกำลังนะครับไอ้พวกดาบพวกอ่ามันจะมีดาบหอกนะครับดาบหอกมบัตหลาวค้อนหินรือยาขี่หรือว่าเชือกเป็นตนน้นพวกนี้ครับที่เป็นเครื่องมือในการล่อวานฆ่าคนนะสัตถ า, ากลารคือแหลกเอาไปใช้ล่อวานฆ่าคนคพพ ร, รับราะประวัยเสือญาติเนี่ยคุณจะวายหายที่นี้หมายถึงล่อวานไว้นะครับก็ได้แต่หลังไหมนะ ด้วยวิธีที่จะฆ่าล่าด้วยคํานี้แสดงถึงความพยายามในการหลักไว้ควนานมเมตตาในประการคือมีการฆ่าเรื่องตัวเองเป็นต้นที่สุดจะต้องอภับบปลาซึ่งในขณะที่สะไหวหนาเข้านั้นตอนนี้เราได้บาลีง่าย น, นะคือเราใส่ใจคำแปลแบบตอนแรกคำแปลเข้าใจว่าคือสมัยหาของเรานะซึ่งสัปดาห์จะปิดชีวิตมนุษย์นนะคือถ้าเราตาสาวเตยใช่ไแล้วมาดูความขนะึ้นมาของเรา เราเข้าใจว่าแค่สวดยขาอุนนะ้มน่ะก็เป็นประการแบบชีวิแล้วท่ไมข้าวาข้าวรตบแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่ถ้าไม่ห ม, มาดพว่าอย่างนั้นเราอ ม, ม, มายคาะว่าสวายขาุา้มจะเปลียนชีวิตมารุ่งเ น, นะ น, นะ น, นะนี่ยหมายถึงการร่บ้านเราเล่ามาตระยานนะเล่ามาอุ้มยขาวผมนะหมายถึงเนี่ยไม่นด้หมายถึงว่าแค่สมัยหาแล้วก็เป็นปการีวไม่ใช่นะถ้าบอกว่าและจะ ที่สุก็ะต้องอั บ, บประภารชเพในขณะที่สวายหาวุฒิธรามนันเองและการต้องอั บ, บปราภารชีพในขณหนั้นยังไม่ถูกวนพรายังไม่ได้ฆาใครเลยเพิ่งจะสมายฐานนครับดังนั้นในการจะแนบบทพิ่มพรพาตุกาไม่ได้ใส่ใจถึงพยัญชนะจะทรงแสดงสัตยาที่จัเข้าในความพยายามฆ่าที่แนบเราเท่านั้น น, น, นะครในบทพานในวิพานนะคำพิมพขออปันจิโมนะครับ พ่อเราก็ส่งแสดงแสดงสตางค์อนคราบสตานะที่จ่าเข้าในความพยายาม่าที่แน่นอนเท่านั้นเชงน่ามาอาดาจะต้องจงศรัภาดาพอชหมวกเหลาคอหนียาี่หรือว่าเชือนะที่ยังเป็นเครื่องมือต่างๆเพื่อนเอาไว้จักคนข่าันได้